สำมรวมใจให้ดีอย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้ให้นึกว่าเรากำลังฝึกตนกำลังฝึกจิตเพื่อจะให้จิตสงบลงไปเพื่อจะได้เกิดปัญญา ความรู้ความฉลาดขึ้นมาปัญญาย่อมเกิดจากความสงบถ้าจิตใจไม่สงบแล้วปัญญาไม่เกิดให้เข้าใจเะฉะนั้นคนที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาความชั่วร้ายทั้งหลายได้ ก็เพราะมันขาดปัญญานี่เองเหตุที่ขาดปัญญากับเพราะเกียรตคลานทำความเพียนทางจิตใจปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเช่นนี้แล้วมันจะมาเห็นแจ้งในกิเลสตัณหาความชั่วอันหมักมมอยู่ในจิตใจของตัวนี้ได้อย่างไรเล่า มันเห็นไม่ได้ขอให้เข้าใจกันดังนั้นทุกคนนะ่ะก็ต้องรู้กันแหละว่าบาปกรรมความชั่วทั้งหลายกิเลสทั้งหลา ย, ลายมันเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์แต่ผู้หลงผู้มามู้หนังไม่สนใจเลยว่ากิเลสมันทําตนให้เป็นทุกข์อย่างไรตัว อ, อย่างไรมันไม่คิดไม่อ่าน อากิเลสมันทํามันยัวให้โลภ ก, ก็โลภไปมันยั่วให้โกรธก็โกรธไปมันยัวให้ใหลงก็หลงไปอ่เช่นนี้แหละมันยั่วให้มัวเมาไปเห็นผิดเป็นชอบไปต่งตางๆนานานะก็เห็นไปตามมันอบางทีก็เชื่อตามผู้อื่นไป ผู้อื่นเขาว่าอย่างนั้นดีนะอย่างนี้ดีนะก็เห็นดีประกอบเขาเพราะว่าตนไม่มีปัญญาที่จะวินิจฉัยในเรื่องที่มันปรากฏมานั่นนะ่ะผิดหรือถูกดีหรือชั่วตนก็ไม่รู้เอาผู้อื่นเขาว่าผู้อื่นว่าอย่างไรก็ไปตามอย่างนั้นบางทีก็ ไปเจอไอ้ผู้ที่มีความเห็นผิดเข้ากดหลงผิดไปตามเขาอย่างนี้ถ้าเป็นเจอผู้เห็นถูกเห็นชอบก็ยังชั่วน้อยนี่การคบหาสมาคมกับบุคคลนี้จึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นให้พึงพากันเข้าใจว่าการที่เรารวมกันสมัครสมานสามัคคีกัน เป็นหมู่เป็นคณะไม่ทะเลาะวิวาดกันอารมณ์อ่วยต่อกันผ่อนสั้นผ่อนยาวหาคันพร้อมใจกันปฏิบัติจิตใจของตนสำรวมจิตฝึกจิตของใครของเราให้เข้าถึงความสงบนี่นั่เป็นหนทางความเจริญได้ พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแล้วว่าความสมัรสมานสามัคคีการประพฤติคุณงามความดีของคนของคนหมู่มากนะ่ะนํำมาซึ่งความสุขนี่เราจะมีความสุขได้ก็จงว่ามันจึงอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไอผู้ที่อยู่คนเดียวนี่มีน้อยในโลกอันนี้นะ มีแต่พวกลือชีชีภัยที่ต้องการบำเพ็ญกสิณชานให้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนก็หลีกเล่นไปอยู่ในป่าเขาลมเนาภัยที่ห่างไกลาจากคนรับทานผลไม้ต่างๆแทนข้าว อ, อ, อย่างนั้นผู้ที่มุ่ง ฌานสมาบัติอย่างนั้นเนะ่ะเหมาะสมไปอยู่ผู้เดียวนะ่ะเพราะว่ามุ่งความสงบเป็นที่ตั้งมุ่งความสงบอย่างยิ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่สงบธรรมดาสงบอยู่ด้วยฌานอท่านผู้บรรลุฌานแล้วท่านจะอยู่ได้เจ็ดวันสิบห้าวันท่านอธิษฐานเอาทั้งก็อยู่ได้เป็นอย่างนั้น คือนั่งอยู่อิรยาบทเดียวนะไม่ลุกไปไหนอะได้อยู่สามวันเจ็ดวันนูน่น อ, อย่างนี้นะนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้ได้บรรลุฌานสมาบัตแปดรูปฌานสี่อรูปฌานสีอย่างนี้ผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานสมาบัตอย่างว่านั้นจะนั่ง อยู่ตลอดสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันสัมผัสกับรูปส่วนหยาบอยู่รูปส่วนหยาบนี่มันแปร พ, พวันกระทบกระทั่งอยู่นั่นน่ะมันจะไปอยู่ได้ยังไงมันก็เกิดทุกขเวทนาส่วนชานสมาบัตินัน้นจิตใจมันดิ่งเข้าไปสู่อารมณ์ละเอียด เมื่อใจมันได้รับอารมณ์อันละเอียดเข้าไปแล้วมันก็ไม่สัมผัสกับกายหยาบนี่นี่แหละจิตใจก็สงบเข้าไปอย่างละเอียดละออนเป็นอย่างนั้นมันมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่บาเพ็ญฌานในเกิดไม่ได้อย่างนั้นก็เราก็ทำความสงบนั่งสมาธิภาวนาพอสมควรอย่างนี้แหละ เมื่อนั่งสมาธิเข้าไปทําจิตให้สงบลงไปแล้วเห็นว่าจิตตั้งมัน่นโดยดีแล้วไม่บกแวกไปทางอื่นทีนี้นก็เจริญปัญญาแบบนี้นะฝึกหัดคิดหัดพิจารณาอย่าไปสวยแต่ความสุขอันเกิดจากความสงบอยู่อย่างเดียวมันไม่มีปัญญา เราต้องหัดคิดหัดพิจารณาเมื่อเราสงสัยสิ่งใดกระยิบยกเอาสิ่งเรื่องนั้นมาพิจารณาถ้าจิตมันสงบตั้งมั่นลงไปจริงๆมนก็จะรู้แจ้งในเรื่องที่ยังไม่รู้ชัดมาแต่ก่อนนั้นนะมันสามารถรู้ได้เมื่อจิตตั้งมั่นลงแล้วเรานึกพิจารณาอะไรปัญญามันก็โผล่ขึ้นมา บอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้คุณก็รู้ขึ้นในใจนั่นแหละไม่ใช่มีสิ่งพ่านอกมาบอกหรอกใจตัวเองนะบอกตัวเองเช่นอย่างว่าเอาทุกข์นี่พระพุทธเจ้าว่ามีจริงเนะี่ยเราเห็นว่ามีจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอริยสัจหรือไม่งี้นะ เมื่อเราสงสัยกับพิจารณาก่อนสิก่อนจะยืนยันว่าทุกข์มีจริงอ่ะอ้ทุกข์นี่เป็นยังไงอย่างนี้นะมีลักษณะอาการอย่างไรโอ้ทุกข์ขังนี่ท่านแปลว่าทนได้ยากทนลำบากางี้นะอะไรแล้วทนได้ยากกดร่างกายอันนี้เลยจิตใจนี่แหละมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่ทนได้ยากลำบากจริง เพราะอะไรนะเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงถ้าร่างกายนี่มันเที่ยงจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันก็ไม่ลาบากมันก็อยู่เป็นสุขสบายได้ตลอดการนานแต่นี้เพราะร่างกายนี่ไม่เที่ยงแปรผันอยู่อย่างนั้นกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอเมื่อเว้นเสียแ จ, จิตของท่านผู้รู้เท่าเท่านั้นแหละผู้ที่ได้ฝึก ให้จิตสงบระ ง, งับลงไปปัญญาเกิดขึ้นเห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารนี่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือธาตุหกวิญญาณธ า, าตุอากาศธาตุไอธาตุทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่ใช่ตัวตนของใครเป็นธาตุก็ยังเป็นสภาวธาตุไปตามเรื่องของมัน จิตปัญญาเห็นแจ้งอย่างนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ถือมั่นอย่างนี้เมื่อไม่ถือมั่นแล้วมันแปรปรวนไปยังไงจิตก็ไม่หวนไว้ไปตามร่างกายสังขารนี่แปรปรวนไปแต่จิตไม่แปรไปตามชื่อว่าจิตไม่เป็นทุกข์จุดมุ่งหมายของการภาวนาก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าทุกขนี่แห ล, ละทุก ปกย่อยก็ยังมีอยู่มากมายแต่เมื่อเรารู้เท่าทุกส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่อยๆมันก็รู้เท่าไปเองมันแหละอืมเช่นความโศสกเศร้าเสียใจเพล่ำลําพันต่างๆหมือนี้นะความคับแค้นใจต่างๆมือนี้มันเกิดจากไอความไม่รู้แจ้งในขันห้านี้แหละมันสําคัญเราเป็นของเรา เมื่อมันสำคัญจนะเป็นของเราเลยวันนี้มีใครเข้ามาด่าเข้าไปอย่างนี้ก็วีตกวีจาร์ว่าเขาด่าเราเขาเบียดเบียนเราอย่างนี้นะนี่แหละความความไม่รู้แจ้งความหลงสำคัญวนะ่าขันหานี่เป็นของเราเมื่อกถูกกระทบกระทั่งมามันก็เป็นทุกข์สิวันนี้นะเป็นทุกข์ป่าๆมันก็ยังไม่แล่าโกรธอีก พยาบาทอีกจองเวรกันไปอย่างนี้นะเนี่ยจึงว่าทุกกายทุกใจนั่นเนี่ยเมื่อรู้เท่าขันหน้านี่ปล่อยวางตามสภาพไม่ถือว่าใครแก่ใครเจ็บใครตายไม่ถือว่าไม่ไม่ถือว่าคนว่าสัตว์ ที่ว่าคนว่าสัตว์นั้นว่าโดยสมมุติต่างหากนี่การพิจารณาจเจริญปัญญานะสอนจิตให้รู้เท่าทุกขตามธรรมดาอย่างนี้แล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นแล้วจิตก็อยู่พอจิตแล้ว จิตก็มีหน้าที่รู้เท่าร่างกายนี้ตามเป็นจริงอย่างนี้แหละ mm. เมื่อมันรู้เท่าร่างกายส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่อยอย่างว่ามันก็รู้เท่ามันก็ไม่ว่ามันจะพิษหวังมันจะถูกเขาด่าว่าเสียดสีอะไรมันก็รู้แจ้งแล้วว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่ารูปกายนี้ต่างหากเขาไม่ตำหนิตีเตียนเราหรอกเราไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ ร่างกายอันนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างหาก็กปัญญามันเกิดขึ้นมันเห็นแจ้งแล้วมันก็สอนจิตอย่างนี้นะจิตรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวอะไรแบบนี้นะไม่ทุกข์ไม่โศกเพราะมันรู้แจ้งแลาไม่ไม่มีใครตายนี่ดินน้ำไฟลมมันแตกแยกออกจากกันต่างหาก อ น, นามะธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันก็อยู่ในจาพวกขันห้าเมื่อรูปแตกน้ําก็ดับไปมันก็จะมีอะไรแล่าเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนควรเสียใจหรือควรควรสะดุ้งหวาดกลัวไอ้ผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเราก็ไม่กลัวแหละกลัวอะไรกฎห้าสีข่ขันห้ามันแปรพลูนแตกดับไปต่างหาก ก็กลัวก็แตกดับไม่กลัวก็แตกดับอย่างนี้มันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนั่นแหละดีถ้ากลัวเราเป็นทุกข์แหละนีอถ้าไม่กลัวเ้าไม่เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นต้องใช้ปัญญาสอดส่องมองดูในอริยสัจเจธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึางจะแสดงทุกข์ขึ้นก่อนนั่นแหละ ก็เพราะว่าทุกข์นี่มันมีปรากฏเห็นได้ชัดๆเลยร่าอองกายทั้งก้อนอันนี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่างนี้แล้วอันดับที่สองกตัญหานี่ธรรมยังแสดงตัณหาไว้อันดับที่สองเพราะตัณหามันเป็นเหตุให้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะตัณหาเป็นเหตุให้จิตใจอยากได้อะไรต่ออะไร เมื่อมันอยากได้แล้วมันไม่ได้สมหวังก็ยึดถือไว้ในใจนั่นแหละยึดไว้พอยึดไว้อย่างนี้มันก็เป็นตัวกรรมนั่นแหละกรรมเหล่านี้เนะี่ยนาไปเกิดอีกอ ม, มันเป็นอย่างนั้นเกิดมามีขันธ์ห้าแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเป็นทุกข์ทนได้ยากอย่างนี้อีกถ้าขืนยึดถือ ต่อไปอีกก็ไปทํากรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วก็ น, นําดวงกินนี่ไปเกิดในขันห้าอีกเกิดมาแล้วก็ได้มาสู้ทุกข์ยากลําบากกันอยู่อย่างนี้อีกอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าทุกข์าชาติปูนับปูนังการเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์หลายผู้เจริญวิปัสสนาปัญญา เมื่อก็ต้องพิจารณาทุกนี่แหละก่อนอื่นเลยเพราะมันเห็นได้ชัดๆอย่างที่ว่านี้เลยทุกประจาวันทุกประจาเวลามีอยู่อย่างนี้นะทำไมจึงไม่เห็นละ่ะผู้ภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ทำไมซึงจะไม่เห็นทุกอไอ้ที่ผู้ที่ไม่เห็นทุกนั่นก็เพราะเหตุว่า ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ได้ฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมัน่นปล่อยให้ใจตกไปในอำ น, นาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามกระจูงใจให้คิดสร้างไปทางอื่นนุ่นใจไม่เดียวว่ามันส่งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆนุ่นไม่ได้กำหนดรู้เรื่องของร่างกายนี่เลยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปรู้ทุกข์มันจะเบื่อทุกข์ ในร่างกายนี่ได้อย่างไรแล้วนี่แหละสำคัญมากให้พากันเข้าใจถ้าเรามาเพ่งจิตนี่ให้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในนี่ให้มันแน่วแน่อยู่แล้วงนี้ในร่างกายนี่มันแปรปรวนไปอย่างไรจิตก็รู้ทางนั้นเลยแบบนี้นะจิตรู้แลวจึงมันจึงเกิดนิพพทาเบื่อหน่ายขึ้นนั่นนะี่เออเรานี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหนอ่องี้นะ เรานี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้ทนทุกข์ได้ยากลําบากอย่างนี้แหละทํายังไงเราจึงจะพ้นไปได้ก็ดําลิเข้าไปแลยผู้มีปัญญานะ่ะเออที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าที่จะพ้นไปได้ก็อย่าไปสําคัญว่าขันห่านี่เป็นตัวเป็นตนออให้เพ่งพิจารณาให้เห็นเป็นแต่เพียงสภาธสวธรรม อาศัยกันอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแตง่งขึ้นมาเมื่อบทเหตุปัจจัยคือหมดบุญหมดกรรมเหล่านั้นแล้วรูปนามนี้ก็ยอมตั้งอยู่ไม่ได้ยอมแตกดับทำลายไปนี่แะปัญญาพิจรารณาเห็นแจ้งชัดลงไปอย่างนี้แล้วมังกอไม่หลงแล้วไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย หรือไม่ทนทุกทรมานต่อความเจ็บป่วยไข้เมื่อร่างกายนิเวัติลงก็อดกั้นทนทานเอาทํายังไงเราหากักหลงมาอาศัยมันอยู่แล้วบัดนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราเราจะอดทนเราไม่หวนไห้ไปตามมันเพราะไม่ใช่ของเรานี่จะหวนไห้ไปทําไมอ่ะเราจะอดกั้นทนทานต่อ ความวิบัติแปรพนของร่างกายนี้อธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานไปไม่เศร้าโศกเสียใจเช่นนี้ก็ผู้นั้นก็เป็นผู้มีสติเต็มที่อยู่ในตัวเรว่าบนี้นะไม่ลืมตัวแล้วเพราะไม่หวนไว้ตัวทุกขเวทนามันก็รู้ตัวอยู่สิเมื่อันรู้ตัวอยู่นั้น เ, นเวลา ใกล้จะตายเขาจริงๆ ม, มันก็ไม่ลืมตัวมันก็รู้ตัวอยู่นั้นอืรู้ว่าจิตนี่ก็สกว่าแต่จิตอีกเหมือนกันเนะ่ยไม่ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรนะแต่ว่าจิตนี่มันถักมีประสิทธิภาพอืมถ้ามันโน้มไปทางชั่วมันก็สร้างกรรมชั่วขึ้นเผาตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อน อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกนั่นแหละถ้ามันน้อมไปทางดีพอใจในความดีในบุญในกุศลพอใจในการที่จะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็ฝึกตนเข้าไปทาใจสงบลงไปให้ได้แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นได้เมื่อปัญญาเกิดได้แล้วอย่างนี้มันก็ละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ คือมันละเหตุแห่งทุกข์แหละออกจากกิจใจได้เมื่อใจหมดอยากหมดความปรารถนาโดประการทั้งปวงแล้วนี่แหละความทุกข์ใจก็ไม่มีแล้ ว, วนี้นะแล้วความเกิดอีกก็ไม่มีแบบนี้เมื่อตัณหาดับหมดโดยสิ้นเชิงแล้วทุกทั้งหลายก็ดับไปไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะนำ ดวงจิตนี่ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกแล้วหนึ่งอย่างนี้นะนี่แหละไอความดับตัณหานี่ยนะดับตรงไหนมันก็ดับที่จิตนั่นแหละจิตเบื่อหน่ายเห็นโทษของมันแล้วก็ไม่อยากแล้วคืออยากเกิดในภพในชาติต่างๆวันนี้นะไม่อยากเป็นอย่างนั้น แต่อยากเข้าอยากน้ำอยากหลับอยากนอนอันนี้มันเป็นกฎมันเป็นธรรมชาติของขันห้าอันนี้ถ้ารู้เท่าแล้วก็มันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่จิตใจที่มันอยากเกิดอีกอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่มันอยากได้รูปได้เสียงได้กลิน่นได้รสได้เครื่องสัมผัสในโลกนี้ บางทีมันก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิปในโลกหน้าต่อไปนี่ตัณหาความอยากดังกล่าวมานี่แหละที่มันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็นำไปเกิดตามจิตต้องการเอา้ามันมันอยากเป็นคนเอกอย่างนี้แต่ถ้าทำความดีเข้าไปพอสมควร กรรมดีนี่มันก็นำให้มาเกิดเป็นคนอีกอย่างนี้นะนี่แหละท่านก็ว่าตัณหาประเภทอยากเป็นคนอีกอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ถูกทางมันเป็นอย่างนั้นเพรอมันอยากเป็นคนอยากเกิดมาอีกแล้วก็คล้ายๆกับว่าอยากแก่อยากเก็บอยากตายนั่นเองอยากทุกข์อยากโทกมันก็ไม่ถูกทางแล้วอยากไปแบบนั้นนะ คือว่าอยากพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้นี่เป็นความอยากที่ถูกทางอันนี้นะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พะเมื่อเมื่ออยากพ้นจากความแก่ความความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่อย่างนี้เขาก็ก็พยายามสอนจิตใจให้พงให้วางขันหานี่เข้าไปแล้วก็ขันหานี่ก็บำรุงมันเลี้ยงมันตามธรรมดา ล้วเราไม่ใช่มันทำบาปหาปัจจัยเครื่องอาศัยแต่โดยทางที่ชอบโดยสินโดยท ร, ร ม, มาเลี้ยงมัน ม, มันได้ยังไงมาก็เลี้ยงมันไปอย่างนั้นอางนี้นไม่ทะเยอทะยานแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นในทางที่เป็นบาปเป็นกรรมมาเลี้ยงมันเพราะว่ามันจะเป็น บอกเกิดแห่งทุกข์ต่อไปเมืม่อคิดได้อย่างนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นผู้คลองเรือนก็อยอมเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วมั่นใจอยู่ในศีลห้าเพราะว่ารู้แล้วนี่ว่าขันขันห้านี่ไม่ใช่ของเราแล้วจะพานไปทำบาปกรรมทาไมเมื่อพาขันห้านี้ไปทำบาปกรรมความชั่วแล้ว ขันห้ามันไม่ได้รับผลด้วยนะมันแตกดับทำลายไปบาปกรรมนั่นมันให้ผลแก่ทางจิตใจนี่นั่นแหละเผาใจในให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่เป็นนักบวชก็ต้องหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบเที่ยวพิกขาจารย์บินธบัต เลียงทีบใครมีศรัทธาใสาให้อย่างไรก็ ย, ยินดีพิจารณารู้เท่าบริโภคไปพอประทังชีวิตไปวันวั น, วนคืนคืนพอได้ทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ว่าเราจะมาฉันอาหารนีเพื่อให้อ้วนให้พีเพื่อให้มีกำลังวางชาดี หรือเพื่อให้สวยให้งามถ้านักบวชเราได้ไปคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่หนทางบนทลกแล้วเป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในตนตลอดปัดจจัยทั้งสี่นะพืะ่ต้องพิจารณาให้รู้เท่ารเราอาศัยอยู่ชั่วขราวเท่านั้นแหละแล้วก็พิจารณาลงให้มันเห็นเป็นสภาว่าธาตุไปนน่น ให้มันเห็นลงเป็นธาตุดินไปนู่นผ้านุ่งผ้าห่ม อ, อาหารที่นอนที่นั่งยุกยาแก้โรคภัยต่งตางๆวันนี้ก็เป็นธาตุดินธาตุน้าไม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่ผิดมาจากของวิเศษอะไรผิดมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมนี่เองน่พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่นั้น ผมอาจารย์จึงค่อยไม่มัวมองดังนั้จึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมในวินัยเพื่อมรักเพื่อพน้นเพื่อความพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นี่แหละแม้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นครือขัดก็ดีก็เรียกว่าเราเดินทางสายเดียวกันนี่แหละไม่ใช่เดินคนละสายกันหาม่ได้ ก็สาย DLC, เดียวสี่พราะต่างคนก็มีขันห้าเหมือนกันนี่ผูกเป็นนักบวชก็ออกมาจากคารวาดนั่นเองจากครือขัดนั่นแหละมาบวชก็ดีก็มีขันห้านี่เป็นที่อาศัยของดวงจิตผู้ครองเรือนก็มีขันห้าจิตมาอาศัยอยู่ขันห้านี่เหมือนกันแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกัน มีความอยากได้อะไรต่ออะไรเหมือนกันดังนั้นและการละกิเลสตัณหาจึงว่าไม่แปลกจากกันเท่าไรนะักทางแต่ว่าเป็นนักบวชนี่อาจจะมีโอกาสละกิเลสได้มากกว่าผู้ครองเลือนเนื่องจากว่าปรงภาระอันหนักลงปลายยางมีภาระเบาอย่างนั้น ดังนั้นถ้าผู้ใดอยากพ้นทุกโดยรวดเร็วอย่างนี้ก็ต้องสละบ้านเรือนออกมาบวชและเพราะว่าการอยู่ครองเรือนมีภาระอันหนักมากมีจิตใจผูกพันอยู่กับการกับงานกับหมู่กับคณะอะไรต่ออะไรเป็นพืชไปจนแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาทำจิตใจของตน ให้สงบระ ง, งับได้เลยนี่สำหรับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วมันก็จึงหนีจากบ้านเรือนมาบวชจะบวชขาวหรือบวชเหลืองมันก็ตามเพศของตนตามกำลังความสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นขั้นเป็นตอนสูงขึ้นไปโดยลำดับ ไม่ใช่ขั้นเดียวอ่ะอย่างนี้ดังนั้นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเข้าไปแล้วบุญบา ร, รมีนั้นมันถดโดนใจให้เห็นทุกเทน ภ, นภัยในวตาสงสารนี่มันถดอยากประพฤติปฏิบรรัติทมเมื่อได้ฟังคำสอนของผู้เทธเจ้าแล้วก็เข้าใจแนวทางปฏิบัติได้ กมีศรัทธาอยากประพฤติปฏิบัติธรรมนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปจะอยู่คลองเลือนนี่ไม่เหมาะสมเลยดังนั้นทึงได้หนีออกบวชการบวชนี่ก็จะว่ามัน ม, มีหลายประเภทไอ้ผู้ที่เห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารจริงๆแล้วบวชเข้ามาหวังว่าอยากจับฝึกกายวาจาใจของตน ให้ตรงต่อธรรมต่อวินยัย้วตนจะได้พ้นจากกิเลสและกองทุกไปได้เร็วขึ้นอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะมันมันไม่เหมือนกันวัสนาบรรมีที่สร้างมายิ่งกว่ากันย้อนกลัวกันอย่างนี้ลนยะเพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับให้คนหมู่มากนี่ ให้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นพิมพ์เดียวกันแบบเดียวกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าผู้เข้ามาบวชนี่มันมีนิดวา ส, สนานิสัยยิ่งกับกันย่อนกับกันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยแม่ผู้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกั น, นผู้มีอุปนิสัยแก่กล้ากก็มีผู้มีอุปนิสัยอ่อนอยู่ก็มี ดังนั้นเราจึงได้อนุโลมปฏิโลมต่อกันการบำเพ็ญบุญกุศลก็พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ให้เหมาะสมกับบุคคลทุกชั้นทุกประเภทไปเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเดี๋ยวบุคคลประเภทไ ด, ไดก็ รับเอาไปปฏิบัติได้ถ้ามีศรัท ธ, ธานะนั่นเนี่ยไม่เหลือวิสัยเอา้าผู้ยินดีในการบริจาคทานเท่านั้นก็เอา้าทำไปแต่ผลของทานนั้นมก็เมื่อก็จะอำนวยความสุขให้เหมือนกันแหละแต่ว่าเมื่อไม่รักษาศีลเราไปทำบาปเข้าไปบบบ น, นี้บาปนั้นมันต้องให้ผลบุญก็ให้ผลคนละทีกัน เมื่อบุญให้ผลหมดลงไปแล้วบาปก็ให้ผลสืบต่อผู้นั่นก็ได้เสวยทุกไปอย่างนี้นะนี่แหละถ้าผู้ใดไม่อยากได้เสวยทุกข์อันเกิดจากบาปจากกรรมชั่วเหลนะ่านั้นแล้วก็เอาตั้งใจรักษาศีลเข้าไปอย่างนี้ผู้ผู้มีศรัทธาแรงกล้ามันก็อกเอารักษาศีลได้บารีรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ รักษาศีลก็ไปแล้วบันี้อบรมบ่มอินทร์ฟังเทศน์ฟังธรรมไวเมื่อพิจารณาเห็นว่าเอรักษาเทศศีลรักษากายแต่รักษาแต่กายวาจาเท่านี้ไม่รักษาใจใจก็แบดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอีกแล้วใจนี่ยิ่งเป็นใหญ่กลัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่เป็นประธานของบุญและบาปของสุขและทุกข์ทั้งหมดเลยบันี้ อย่างผู้่าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเออเราจะมาฝึกตะกายวาจาไม่ได้หรอกตัวสำคัญจริงๆเราคือใจหรือจิตผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามันก็เห็นไปอย่างนั้นเลยวันนี้นะมันจึงพอใจในการไหวพระนั่งสมาธิภาวนาข้าวปฝึกจิตจิตนี่มันเป็นของฝึกยากยากกว่าฝึกช่างม้าวัวควาย ต่างๆนานามู่นั้นน่ะฝึกยากแต่ถ้าฝึกได้แล้วมันดีมากฝึกได้แล้วมันนพ้นทุกไม่มีทุกนั่นแหละดังนั้นะขอให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจฝึ ก, กจิตใจของตนไปตามที่แนะนํามานี่ก็จะพ้นทุก ไปโดยลำดับลำดับ